บทสรุป233ท่านตั้งหลายธรรมคือปาราชิกสีสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งภิกษุต้องเข้าแล้วย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายไม่ได้เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้เหมือนก่อนบวชข้าพเจ้าขอถามท่านตั้งหลายในธรรมคือปาราชิกสีสิกขาบทนั้นว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือเขาพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือเขาพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สมว่าท่านตั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรื อ, รอท่านตั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาราชิกสี่สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาราชิกจบ